เทศอบรมพระวันที่24ตุลาคม2520นี่ปรากฏเหนื่อยไม่เข้มข้นเรียบเรียบสิ่งที่เป็นธรรมกิเลสไม่ชอบเวลาไม่สงบระงับด้วยภาวนาขันหลอกเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเทศอริยสติปฐานสฟังได้ทั่วไปจากนั้นก็พูดปริยาย พูดเรื่องเทพอาจารย์มั่นเชี่ยวชาญมากพูดปัญหาคืุกริบและหัวเราะที่ว่าเป็นกรรมของชาวสกลนครกันนี้ไม่เข้มข้นไม่ควรอัดให้ใครใครมด้ดีตอนที่ผมเป็นครูอาจาราาย์ก็เนเหมือนอาจาราายารา์ใหท่านกระชาขนาดดีแล้วปกติแล้วแต่เดี๋ยนี้ที่ลึกๆ ล, ล, ลับๆ แล้วนไปไม่ถึงคนก็ไม่สามารถจะไปให้กวรได้นานน้ำจะไปทีเขาทราบว่างเกียร์เข้าไทา ง, ทา ง, ทางัญหาแล้วผว่าต่อหาท่นานนำไปทีที่นานามาถึงเรามาอยู่กับท่านมากเขามีอำนากท่านเองไม่ได้มากโดยผู้คนข้าว่ า, าดา้านลงเวลาออกจากท่านไปแล้วบ็ยิ่ง รื่งของใครล่ะนั่นเราจะดูบบตัดสะดวกสบายมาทั้งวันทั้งคือนัดูดีงา น, น, ง น, นต้องปิดเป็นอย่างนั้นต้องปลดเพื่อพภาระพลังอะ้าอกำลังวางคาสติปัญญาตั้านเข้ามาสู่ใจทั้งยิ่งของอาใครกอะไร ก็นานนั่นเองครับเพราะทะเลาะกันกันนดิความที่เกียจขี้ค้างขอาไปโปะเข้าไปแล้วมันก็นยิ่งตอนนั้นจนมเลยว่เพื่อนฟูเป็นวานได้เลยมีควา ม, มสา ย, ยาต่างคนก็ต่างขี้วเยียจจะย่าันไปด้วยความจาเป็นของตัวนี้ตัวนั้นเือหาลากเพื่อกองนี้ น, น, น, นะ มันจะเป็นของแน่นอนที่จะอยู่ความเป็นเพือ่อนเราควาประมาทไม่ได้ความประมาทเป็นเรื่องของพิเลความไม่ประมาทเป็นเรื่องของธรรมอย่างไรถูกทำเงาพ อ, อจะสร้างได้หรออย่างนั้นฝืนฝืในในกใน คือเ่เ็ตไม่ชอบให้สาวนนั้นไปทากับี่เ็ตต่อสู่กันการปฏิบัติางานนี้หลักกิประธานสีที่มีอยู่ในกายภยชาติสีมียูในกาย คนแยกขออไปเยูดอาญยแล้วกถูกวิธีประธานผู้วิประานแล้วคนเดียวคนนั้นแยกไปพูดเฉยกายวิาณจิตธรรมวิญญาณกายวิญญาณจิตธรรมเนี่ยาาากาย ท, ท, ที่ไหนวิญาอยู่ ท, ที่ไหนวินธอยู่ที่ไหนธรรมอยู่นนที่ไหนแม่มันเป็นที่กายที่ใจ พิจ า, าที่น่การพิจานาไม่ออกสกิปัญญาเขพาพิจารณาจะ อ, าอะไรความเพียรความพยายามก็าไเครื่องนหลังทำงานเอาอะไรไปทํนั่นอที่นี่ความผู้แยกแยไปต่างงานางานาความจริงก็ตั้งหลักโดมอยู่ที่ตัวปจะจะัจจัยธในร่างกายจิตใจของเราะอะไร ไปแล้วไม่มันๆเลยมาไั่มันๆไปแล้วไม่มันๆนี่เราใส่ระงับด้วอิทธิภาวนาแล้วผมลอวพ้สมายะมายผมเลยภาวนาคืนนึ่งเข้าที่สองโมเก้าอมงานนี้เข้าแล้วเข้าแล้วนั่นก็ออกที่แล้วก็เข้าอยู่ ย่อมไม่สบายครับทางหน้าติดใจแล้วับขันนี่นะมันก็ค่อยสบายขึ้นขันเนี่ยเครื่องเกาะกวนมันดิ่งแล้วมันมีเวลามีทนายสัญญาสังขารอย่างสัง ข, นงขันเป็นตัวสำคัญมากความคิดความปรุงนี่มี มันเฉยไม่ได้นะมันกลุ้มของมันคิดต้อมันคิดอย่างนั้ น, น, น, นหนเรื่องอะไรก็เรื่องของจิตคิด ข, ขึ้นมาตัวเองก็หลงความคิดของตัวเองเป็นาพาดเป็นเรื่องเปาวขึ้นมาขอเป็นเรื่องไปจากจิตตัวก็หลงเรื่องของราของตัวเนี่ยหละสำคัญออกมาจากตัวก็ตุยตัวเงาของตัวเองสัญาเป้หมายไม่หมา ย, มายสังขารมันคิดปงขขุงคิดปรุงขึ้นมา เกี่ยวโยงความหมายมันเลยล้อกับของวันหนึ่งวันความรู้มันมันอยู่กับเรื่องแบบนี้เรื่องเหล่านี้ก็เป็นเงาของจิตออกไปจากจิตของก็ลงมอยู่นั้นวุ่นกับเรื่องกับราวขึ้นปวดกับเจ้าของแล้วขนทุกนายเจ้าของส ม, มิงถ้าเราไม่รู้มันเป็นอย่างนี้จะยิ่งมีที่เด็ดู่ภายใน เป็นเครื่องผักดันออกมาด้วยแล้วความชื้นความฝืนนี้ไม่มีสิ้นสุดก่อขึอ้นเราจะพุ่ขึ้นมาเพราะอำนาจของสมองไทยที่ชุดเดือดริชาเป็นตัวหนุนหลังนะนอกจากตัวหนุนหลังมันหมดขึ้นไปเสียอย่างนี้จะขนันดิ้นธรรมาดาเลยนะในคนนั้นก็ยังต้องไปปฏิบัติต่อกันให้พอเหมาะพอควรด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้ารักษาพวกทั้งหลายท่านถึง เ, เข้า มาที่มาบัติภาวนาตัวสร้างันธรรมนิพพานคือปฏิบัตต่อขังนี้ข้นนะามข้ามมือปิดคืบอะไรเพื่ออะไรขารับผิดชอบขังขันเป็นผู้ก่อ ก, กวนเป็นผู้ดิ้นตลอดเวลาเดี๋ยวอก็สแสดงเรื่องขึ้นมายุ่งทุกข์ความไม่สะดวกตรง น, นัตรงนี้ก็บนั่นปวดนี้เ่ แสดงว่าจักการนี่เกิดมาจากการเวทน า, นาตั้งปฏิบัติต่อมันไปดูยังขานเลยความคิดความกูคิดไปมากมันก็ทำความกดดันกระเทือนต่อร่างกายเหมือนกันเช่นผู้เป็นโรคหัวใจความคิดกูนี้เป็นเป็นภัยตกเราอย่าวัดส่วนละเอียดได้มาก ความคิดจริงนใชเป็นขบงดเวลาเป็นโรคเช่นเป็นโรคหัวใจคุณต้องระมัดระวังความคิดความผุ่นกระทบกระเทือนซึ่งความคิดนี้กระทบกระเทือนง่ายๆถ้าหิวนะครับการหลบหลีความเสียใจความกลัวความตกใจเสียงอะไรมากระทบ ด, ำดำังๆ เห็นกันแข็งนั่นเป็นภัยตโรนิ่งแต่ถ้ากินมีการอบรมกนรูจักวิธีปฏิบัติรักษาตัวเองแม้แต่นั่นคนพอทราบได้ว่าสิ่งนี้นเป็นภยัยนี่ดูยังตัวยุ้งปุยเป็นตอ น, ตอนเช้าตเช้ามันพูดไม่ได้นะพอพูดเป็นมานี่จะู้ยุดมพูดพูนี้หน่อยก็รู้วามีมีนิดหน่อยเป็นมาตอนถ่านเสร็จแล้วพูดอะไรบง คนมาตนหนุนทุวันต่อวันวันไหนที่ไม่มีคนมา ห, หนุนมาพอเขาได้พูดไปแล้วเนี่ยฉันเนยเฉมือหนีไปเลยเลยมึงก็ไม่นําพาไม่สนใจกับใครเลยความคิดในเนี่นยต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นในคนเป็นอกุศลใจเขาอีกลักษณะของใจคนมันรักษณะายด้านหลายทาง ก็เรื่องคิดเห็นมันจะคิดไปแต่เรื่องทำไม่ดีครับต้องระวังาการปฏิบัติหน้าที่งานที่เราเคยทำอย่างไรควรยึดถังมัดอน า, นาปาณาสิเป็นกรรมฐานที่เหมาะขมกับจิก ต่างๆมากกว่ากรรมฐานอื่นๆลองมาพูดทูกมโนสังขุณ็จะถูกมากกว่ากรรมฐานอื่นๆผู้กห า, า, า, าหนดพระลพานะสติกก็ใหทำความรู้สึกกับลมทองตัอยากไปวิธ า, านิการลงให้มากให้กำหนดรู้ แต่เาะลมเข้าลมออกด้ความมีสติมีเป็นหลักที่ถูกต้องลมผ่านเข้าความรู้ว่าผ่านเข้าผ่านออกความรู้ว่าผ่านออกอย่าตามลมเข้าไปว่าลมไปถึงไหนถึงไหนแล้วอย่าตามลมออกมาว่าลมออกไปที่ไหนเหมือนอย่างคนเข้ามาในห้องเราเป็นนายวาว วา น, นายจวานบานเป็นผู้รักษาประตูเขาเข้าไปครับไปลู่าคนนี้เข้าไปออกมาก็ลู่ออกมาแน่นอนเป็นของตามกขาไปในหองนะครับนั่นเขาไปงานกันอะไรๆกันพขออกไปแล้วเข้าไปไหนกันตามเขาไปซึ่งเป็นการเพิ่มภาระความบังคับให้เกี่ยงานของเราคือพนนิจารณาขึ้นอีก ยังไม่มีความตรงนี้กับงานเกายเป็พ้เพื่มเป็นความของบนขึ้นมาผลนก็เลยไม่คอยไดเท่าที่ควรเพราะงการทําเพื่อให้เหมาะกับกําลังของตนจึงควรทำหนักให้รู้อยู่เฉพาะลเข้าลงออกด้วยความมีสติเป็นสําคัญเมื่อสติมีอยู่ ความรู้จะรู้เรื่องลุงผ่านเข้าผ่านออกหยาบละเอียดจะรู้ทุกระยะไม่ต้องไปตปุ้มไปแต่งเรื่องลุงให้หยาบให้ละเอียดเป็นแต่ทำความรู้ไว้กับลุงเมื่อลุงละเอียดลงไปก็รู้องละเอียดลงไปก็รู้พอเราทํานี้เราไม่ได้หมายจะเอาลงุงเราหมายจะเข้าใจเรื่องสิดหรือเอาติด ติดเมื่อไม่มีลมเป็นที่ยึดทีท่เกาะมันก็ไม่อยู่มันจับตัวไม่ไดนะ้จึงต้องอาศัยลงเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องเกาะมีสติเป็นหัวหน้างานบังคับงานให้จิตทําหน้าที่กําหนดรู้ลบนัให้รู้อย่างนั้นนี่คือพิธีที่ถูกต้องส่วนที่จะกระจายลมหนานกระจาลยลมหนานนี้น มันเป็นการมีพิเศษของแต่ละบุคคลที่มีความเอกตาใจต่อคนอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นโดยเฉพาะเฉพาะไม่ใชสาธารณะทั่วไปเหมือนการกำหนดลมดังที่อธิบายวันนี้อันนี้เป็นกิจกรรมเป็นเข้าพุทธออกโทคนนั้น ตามโดยคุณโถก็ได้ถ้าเราไมา่ถนัดใจุต่ยัลงลมมันก็รู้กันอยู่แล้วพอคนหลงนี้มันมรู้เพราะิตที่ประจมาชาติรู้ตลอดเวลาแต่ก็เพียงว่าไม่มีสติเป็นเครื่องติดต่อเป็นเครื่องบังคับลมจริงจิตจึงไม่รู้อะไรแน่นอนลงไปรู้แบบไม่มีสถานรู้แบบไม่มีขอบเขตก็คือจิตไม่มีสติรู้หากไม่มีขอบเขตเขตขออะไรเลย แต่เมื่อมีสติเข้าไปแล้วรู้ก็เจาะตรงนะ<ม>ผิดกันตรงนั้นเพให้มีสติเค่รื่องบางขัสิขาดสติคู่เดียวความรู้นก่งก็ไปแล้วทะเลก็ไหลยนะถึงขั้นละเอียดละเอียดกินลงเลยกินปลาเสร็ขาดไปเลยหายขาดก็ขาดไป ผู้รารมขาดไปไม่ได้ขาดไปด้วยเป็นไรไปอาลมไม่มีอ้าวังมีอยู่มันจะตายวันไหนคนเราเนีลมลมหมดไปความรู้ไม่หมดยังคองหน้ามีไม่ตายเนี่ยวิธีการแกป้ปัญหาที่ขณะที่ลมละเอียดลงไปจนกระทั่เป็นความรู้สึกว่าลมหาไป แ, แล้วมันจะเกิดความวิม ต, ววตก ก, กังวลขึ้นมา ว่านี่จะไม่ตายเรือง น, นักนั่นจีบแปัญหาหมไม่ดีเนไปไหนครับ ม, มีปิอะไรบ้ามีการกัา ห, หมดทั้งกรรมะธมเพื่อความสงบของใจ ใจมันมีความสงบพอสงบแล้วมันจะมีทนงานพอคิดความปรุงเราเคยคิดไปปงทุกขณะทุกวเวลาเีลามาอยู่แล้วไม่เห็นมีความจำเป็นไหนจะต้องไปจะได้เราจะได้ความสงบหนึ่เราต้องขันความส ง, งบพิจารณาพยายามบังคับเรื่องความคิดความปรุงเราคิดมันปรุงมาขอเพื่อความสงบ ด้วยใจจะไมีความสงบเย็น่าทงเหมาะสมการพิจารณาทางปัญญานั้นเป็นอีกแง่หนึ่งกเคลื่อนต่างๆให้นอกก็ดีภายในก็ดีพิจารณาลูปนอกก็ดีรูปในก็ดี เสียงสินด้วยเครื่องักัดต่างๆก็ดีไปตามความจริงของมันแต่จ้อให้ดูตามความจริ่ของมันมันมีวปัญญานิจารณาร่างกายแต่และกิ่นลอันที่มันผสมเกิดกันอยู่รวมกันอยู่หุ้มหอไว้ด้วยน้ำเนี่ยน้ำอพิษอะไรก็หนังสัตว์หนังคน ค้อนหนังสัตว์นันก็เหมือนกันอีกอย่างก็ถลกหนังสัตว์ออกมาแล้วตาไว้เป็นยังไงกินหนังวัวหนังควายทํางข้างขโมงที่เราตากไว้เนะป็นยังไงหนันคนงคนก็เหมือนกั น, นเนื้อควายเนื้อสัตว์หมกับเนื้อคนเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนกันก็ดูกสัตว์ก็ก็ดูราวก็ดูคนเหมือนกันไหมเนี่ย ท่านพิจารณาเทียบเทียมเปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายของสัตว์กับภายในร่างกายของเรามันเหมือนกันพิจาเห็นอย่างนี้ยกอกเอาคาหนอกออามาเทียบเทากันยกจิ้งโคกเทียบเสียงให้แสัตวส่วนก็หายกันกันไป มีการปิเสธนาแต่มไม่ใช่ว่าจะได้จะรู้เห็นเป็นหมุนหนึ่งหมุนเดียวชนาไก่กองปลายข้างหลายหัวมันค่อยๆเข้าใจไปเข้าใจไปต่อครมันก็ซึ้งมหาจังก็ซึ้งทุกขังก็ซึงคือมันถึงใจทุกอย่างอนาตาก็ซึงสุดท้ายอนัตตาเป็นที่หลวมยอดของไก่รักลงใน อ, อนัตตาหมด อย่างท่กล่าวว่าอย่างทำว่าสเบทํามนานาลังอันนีเ้เสยซ่าย่ำทำทั้งปวงไม่ควรถือมันน่นนเมื่อถึงวาราสุดท้ายที่ควรจะปล่อยโดยประการทั้งปวงคือปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ควรจะถือมั่นอะไรทั้งหมดแย่ที่สุดสีสมาพิปัญญาก็ปล่อยวางไปเส่นเดียวกันเพราะเป็นทางเดินเพราะเป็นบรรทัด ถึงที่แล้วเราจะประกอบันใดอยู่ไม่สมควรกับคนที่ขึ้นถึงท่านทุกเมืแล้วคนที่ถึงความรู้สุกหลุดพ้นแล้วจะมายึดปฏิปทาเครื่องนำเนินคือสิ่สมาที่ปัญญาไม่สมควรอย่างยิ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านวาระสุดท้ายท่านเป็นสอนว่าทำทั้งกลไม่ควรถือมั่นนานหบดเวลาจะปล่อยโดยประการทั้งปวนปล่อยหมดเลยคือพอแล้วก็ปล่อยไม่แค่หยิบถือก็ปล่อย ท่านทำท่านเตนือนเราทำคราวนี้เตือนทั้งหมดผู้ที่ควรจะถึงควรจะปล่อยแล้วแต่ยังไม่ปล่อยท่านบอกว่ามันจะปล่อยแล้วยังไม่ปล่อยเพราะไม่เท่าใจยังไม่รู้ไม่ทันพอตัวอย่างนั้นปั๊บสติได้ทันทีได้สติทันทีแม้แต่จิตก็ควรปล่อย ว่มามปุรยังไงถือจิตไว้ทําไมถือจิตก็คือวิชาเนี่ยคำว่าจิตนี่ก็คือคำว่าวิชามันคือแปรกันยั่ตรงไหนจิตกับวิชาอยู่ด้วยกันถ้าถ้าคำว่าจิตเป็นเครื่องถือใจใจ้ของอยู่เป็นเครื่อนหนักแน่นเป็นสิ่งหนักแน่นเป็นสิ่งที่สัมผัสนี่เป็นสิ่งที่ดูดดื่มอยู่นั่นแหละคือวิชา ถึงธรรมชาติจริงๆแล้วทคำว่าติดอยูน่นี้ท่านไม่หมายเลยอื ừ, ฟังย็ดลอกไปหมดเลยแต่เวลายกขึ้นมาผูสมมติท่านก็ต้องยกเพราะโลกผูสมมุติตมมตผู้ผู้ฟังผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายอยู่ในสมมุติทั้งนั้นถ้าไม่ยกสิ่งนี้ขึ้นมาไม่มีคุญแจใต้ทางรู้กันไม่ได้ ừ, ต้องสอนอย่างนั้นพอถึงขั้น ปล่อยเต็ที่แล้วไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องยึดไว้เลยว่าเราว่าเขาก็สักแต่ว่าระดับไปตรงนั้นเอต่างอันต่างกินร่างกายก็ติดอยู่ด้วยกันก็รู้อย่างชัดชัดรู้การในกินของมันทุกส่วนแต่ว่าแต่ร่างกายแ่แ้การเัฒนาความสุขความทุกข์เฉย่นในแบบนี้ก็สร้างมันเป็นอันหนึ่งอั น, นเป็นความกินแต่ลย่าอย่างเหมือนกัน ความรู้นันเป็นสิ่งที่หมดปัญหาในตัวเองแล้วก็จะได้มีปัญหาอะไรอีกเนี่ยทีนี้ปัญหาก็มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้แล้วลความรู้ความคินต่อกันหมดแล้วจะมีปัญหาต่อกันอีกได้อะไรก็หมดปัญหาคำห่า น, นี้จปล่อยคำสิ่งเหล่านี้จึงปล่อยหมดนี่นนนนบทธําว่าสเบธธรร ม, มานารังนเวซาญะ ท, าทังต้องพวไม่ควรถือมั่นคือปล่อยวางไปหมดเลย ททั้งปวงในรุ่นนี้จะเป็นสมมุติทั้งหมดอะที่อความโง่ก็เป็นสมมุติความฉลาดก็เป็นสมมุติแม้ที่สุดสีธรรมที่ปัญญาก็เป็นสมมุติเป็นเครื่องอทุกสมมติไทยนิโรธมากใครว่าเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นสมมุติผู้ที่รู้ทุกสมมติไทยนิโรธมากนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ นั้นไม่ใช่สมตมติทุกสังคีตว่าเกิดขึ้นมาดับไปชุมุไทยการมาตัญหาว่าัญหาวิพาก์ปัญหามันก็เป็นสมมติอันหนึ่งเป็นเครื่องผูกมัดถึงแก้ด้วยมัจคือ ส, สติปัญญาเป็นต้น นั่นก็เป็นสมมติมัดแก้สมนนสมติ อ, มอันนี้สมมติว่าเราใส่แก้สมมติว่านี้ฝา่ผูกมัดเอาสายแก้มาแก้อันนี้เมื่อแก้ได้มากน้อยคาว่านิโรธกับความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลขึ้นมาจากการแก้นั้นก็แสดงตัวขึ้นมาโดยลําดับกันเลยไม่ใช่กลาจะไปตั้งให้เป็นนิโรธขึ้นมาท่านนั้นท่านนี้ของนิโรธนะ อมันเป็นผลตอบได้าตามตามกันเช่นเดียวกับการรับทานรับทานมาน้อยความอิ่มหลนำกำลังก็ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นคู่เคียงกันกับการรับทานไม่ใช่เราจะไปแตกงสร้างความอิ่มให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานอกอเหนือไปจากการรับทานซึ่งเป็นธรรมชาติที่เสริมสร้างความอิ่มให้เกิดขึ้นอยู่ลําดับอยู่แล้วนั่นเราคิดอย่างนี้ไม่รู้วความดับทุกข์เมื่อที่เรียก หมดไปโดยยิ้นเชิงความดับทุกข์มันก็ดับไปโดยยิ้นเชิงก็เรียกว่านิโรธเต็มภูมิแน่ผู้ที่รู้ว่าความทุกข์ดับไปคืออะไรปีนาที่ทุกคนคำหมนดรู้สมุทยัยควนละ่านบอกไว้นิโรธควรทำให้แจ่มมรรคควรเตือนให้มาก มันจะเลยให้เกิดขึ้นท้าน่าดไปตามอาการอาการแล้วสิ่งแบบนี้ทั้งหมดเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วด้อำ น, นาจแห่งมรรคที่กอ บ, บูญเต็มที่แลวอันนี้ก็เป็นอนว่าหมดปัญหากันตัดนีนแต่คำว่ามหาสติมหาปัญญาท่านก็ไม่มีหยูท่านไมนยมึดท่านไม่ถือ เพราะคำว่ามหาฤทิมาปัญญานั้นเป็นคู่เพียงกับมรงค์คือเป็นคู่เพียงกับกิเลสประเภทต่างๆแต่พ่ออย่างนี้ประเภทที่ละเอียดสุดใต้เาวิชชามือมหาสทิมาปัญญาเท่านั้นจะสามารถแก้กิเลสประเภทนี้ได้แน่ควากิเลสประเภทนี้ขึ้นสุดไปจากใจคำว่ามหาสทิมาปัญญาท่านก็หมดกคำถมนยิยม ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมยืจะยืดมาค้างานเพราะพอเวลาดําเนินงานเห mm hmm. มืนอนยาเราข้ามฝั่งด้วยเรือเมื่อข้ามฝั่งไปถึงที่ปลอดภัยแล้วเรือก็อยู่ในท่าน้านนั้น mm hmm. ตัวเราก็ขึ้นไปแ mm hmm. ม้ในแบบได้หามเมืองไปด้วยผีจะมาที่ปัญญากดเชื่อมโยงกันผ mm hmm. ่อนวางไว้ก า, างทางจิ้เหมือนกันหมดผู้รู้ว่า ทุกสมุทยัยนีนะ้เราถนัดได้ทาให้สมบูุนเต็มที่แล้วนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผูนั้นไม่ใช่สัจธรรมนั่นไม่ใช่สติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีก็ดีอ้เยาะสัจสุขอยู่ในวงเป็นวงสมมุติแก้เราแก้เป็นตรงนี้อเอาสม ม, าสมุติมาแก้สมมุติเอามัดมาแก้สมุทัยที่ตรงนี้ครับ แก่เนี่นะ้อง้วกำหดปัญหาท่านจึงไม่ได้อยู่ด้วยความมีปัญหาท่านผู้สิน้นเนี่ไม่อยู่ด้วยความมีปัญหาการไปามที่ไม่มีอะไรไเกี่ยวข้องเพราะเป็นสมมติทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้การตายท่านก็ไม่มหนึบชีวิตเป็นหมายสถานที่จะฆ่าควรตายยังไกจะตายยังไง แล้วตายนี่นจะไปเกิดที่ไห น, น, น, เ, นเกิดเมื่อตายแล้วตะไปนิพพานมังนิพพานนี่ท่านไม่หมายทั้งนั้นเละเพราะทำรู้หมดแล้วท่านเป็นหมายการสถาน ท, ที่ไม่มีอยู่ก็อีนี่ร่งจะายก็ไปอย่างสบายขึ้นเรียกว่ากันดีไม่มีปัญหาตแค่นี้ท่านบรญญาสบายเลยท่านอุติลัง ใครดูไม่ไดตรงงไปโดดเนื้อีด้วยมันก็ ข, ขบขันเราฟังเราไม่ใช่ผีรูปประเทศก็ดีอย่างหนึ่งถ้าตงใใรงไหนขยันไปอยู่ได้ไปนอนไปนีน่เล่นนอนไม่ง่ายนี่อยู่ๆกะตบผ้ามคนเต็มเลนะแต่คิ ด, ดีปเล่นนอนกะตกผ้าคนเต็มเลนะ แฝงนอนในนี้เหมือนกันนอนอยากไปเที่ยสะท้ยนใจฝาบุกเป็นเปอะไร่อเยหยมือนคนตีอนะืมมีหลายแบบคืนมาตัวนอันนกลัวคือมันมองไม่ทีตัวหรือะไรอยู่หรออะไรโอ้ผีอยู่ผีก็จะกลนเนี่ยอยู่ผีไนเยกว่าผีเอ ผ, ผ, ผ, ผ, ผ, ผมยังไม่ได้สอบถามเพืาอเียนพราะมาววา น, นีมันนั่งนานเแล้ว มีถามเขาไปเนี่ยเ่อเาอาของไปส่งพระนั่นนั่นรวมมันวันนี้มาเลยถามพขาเล่าฟังเล่าก็มันเหนื่อยแล้วพี่เหนื่อยกับแฉะเลวเลยไม่ได้ถามอะไรมากมายมีแปลกอันหนึ่งเราไม่ได้ถามตรงนี้ว่า ผีตัวนั้นระวงะะังน่ะทำแล้วจะม่ได้นอนไปฟ้อาอาจารย์อยีกน ะ, นะระวังเนี่ยตรนี้แหละไปฟ้องว่าภาพนั้นขี้เกียจไม่ทำความเสื่อมาอาจารย์ต้องมาบอกว่าเงี้ยฟ้องแบบไหนเนี่ยนี่อาจารย์ช า, าตตอนนี้โอ้กเถียงนี้สาคัญเลยนะพกเถียงสคัญ เขาบอกผีเราที <créer noise> domain, really well. ่ดูแลกานใหญ่เลยท่านทำชำนาญมากเรื่องคือสั่งพระไม่ไปทาช่วงทางพวกคลิปมาคลิปงานนันเลยมาทาทำทำไปทาทาเนี้ทิ้งของรเกลระกา ก็คือก็ฟ้องฟ้องเทาั้นพระวางของที่ลีกก็ฟ้องพระนอนไม่สบายยากก็ฟ้องหนังปังที่ท่านต้องเตือนข้าหมดเวลาเทศจะมาอย่างนงให้นอนให้ระมัดระวังถ้าจะนอน ทำไม่นอนก็วิธทานนอนตะวันก็ส่วนมากเทพมาตอนดึกแต่ส่ว น, น, น, น, นมากในป่านไม่คยะมากบางทีสีทุ่มาแล้วมีวมันตะมันแต่ส่วนมากเทวดามาทังหกทุ่ทงล่วงไปแล้วตั้งหกทุ่เป็นต้นไปส่วนมากวางพกเทมามีชั้นสูงนี่มาดึกเะวันพวก ท่านสูกว่ามันจะงไม่ใช่ลูกคือสอนท่าช่างแย่ชั่วโ ม, มปฏิบัติ ต, ต่อพวกนี้ต้อกแน้าเหยียดขนาดไห น, นจานจงานวิชาเราเหยียเราอมาเร า, ไ ม, มมม า, ม า, าไม่สามารถจะรู้ได้คือทีขนาดนั้นถ้าก็ไม่ิวมึงกยั่ต้างเขา คุกันทำมั น, นนานๆกันก็เพลินไปลนไปกาหนดลู่แล้วหนุนปกเทียมลออยู่หมดเนี่ยอาลึกตึกแขกมาแล้วตันวัด <c oughs> แขกเทน ม, มาแล้วลอยหมดเนี่ยนั้นนะ ล, ลูมองเห็นหนอกองเห็นดีคนอย่งท่านฉันมั่นเป็นบ้ามีระเี่นาสิถ้าค น, น อ, อย่างท่านฉันมั่นเป็นบ้าแล้ว ใครในโลกนี้มันจะไม่เป็นมหาบ้าบ้าตัวนี้ดูนั่นเล้เลยนะถ้าลรงงานันบ้านเป็นบ้าแล้วหมดทั้งโลกนี้นกองบ้าทั้งหมดเป็นน่นนันอบังเปล่งกันนะักงนี่นั่นเนชอบเไปตามใจวัดนธ อจะมีเนพวกทนมาบนม่อมา่อยบ่อยหน่อยาจารปู <depend esin issions> ่คนดีนต่าบที่างมี่ากดดึง ยังไม่ยืนขนอยู่หลงผุการเขาเตอย่างการเรื่องพวกนี้กานขึ้นไปหลงผุหลงทุตั้งไปเพราะตั้งอากาศตรงนท่านคือเป็นมัหานะผมมักเข้าใจรันทีอ่าวันนี้มันหอมอะไรหนาท่านวางมั้นะอมันหอมทุกกันได้ทุบกนาวางมัน อ๋อไม่เลยนะว่าจก็ใช่คริงจังมันตอบทันทีเลยนะไม่ใช่เท่านั้นคุณเข้าใจเท่า น, านะ <c oughs> ผมก็เข้าใจมีอะไรนี้เนี่ยมันพอนเท้ามามันนำ้ำนีนน่ท้าโขาขาเลียนมื่อการพวกเสมามา เขาบอกมาแล้วพวกเขเริ่มมาวันนี้บ้าจรงน้องผึใช่แงนะน้องคึนงนะ้นี่พวกเขากมาบ่อยที่ไหนก็ทู่เจ้าไหมไม่ได้ท่านมามันบ้าเขาเล่นจริงจะพูดว่าคือ่เป็นคำของพวกชาวตะกอนะควมันบ้าจริงนะเ หรือเป็นกรรมพวกชาวห่งชาวเป็นความเสื่อในปัญหามันไม่มีเทวดามากมันกำังมีไม้ที <c> ่ <oughs> เขาลมอยู่แล้วนั้นธรรมภูใอย่งขันเขาเอาปัญหาฤทธิ์ลงอยู่ด้วยแล้วพวกพันเอก ม, น, น, มนุนมณมาณมัน่ทันเขาองีใหม่เขาแจกเขาเไม่จะเก็บ ว, ว่างมาห้เรา เราจะพอม็นมีปัญหาคือรื่อนั้นเนาะถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยตงไปมันจะใส่ไปทุกเรื่องเลยทกว่ามันเ <c oughs> ขาอ่านแล้วคงคนจะจุใจดีนะใครเขาใครมาพูดมาชอบมันกันปนัญหาอบปัญหาทุกเรื่องเนาะบ <c oughs> ทราไม่ต้องสีมันตอบประชาชนที่เขาถามมาหาเราตังหามันหมากกับหมากเราะกรอบไปทุกระบมันก็แย่ตอบถ้าไปเยาะด้านตัวถึงมันหมดออกกลงมันคือผีหนอเตีวตอบส่งไปอ่านผู้พิทตัวถึงหมดจากนั้นมาก็มาเป็นเล่นมาตัดให้ใจ่เล่็นกระพองหรือมันกระแตกหรือมันหัวหวัง มันว่าตุกตุตุกที่ปากตุกมันมันเป็นลมอ่ะฮะฮะฮะฮะมันหัดหรือแรงกระบอกมันมันเขาออกมันก็แตกผมยานว่ามันยูน้ำไอ้มุมมือจานมันติดนั่นมันมาหลายหมื่อปุ่มแล้วมันติดมันไปไห้ที่นี่นั่เรื่งก่อนว่าเปล่งแพร่ทำปฏิญญาอาการของลงเป็่งไง มันคงที่อยู่งั้นหรือมันดีขึ้นหรือมันทรุดลงก่อนต้องเท่าเดิมเหมนเดิมใส่วนอื่นแต่ว่าก็รนงอนเช้าจะมีกตีกกระแต่ก่อนมีไหมกระันดนเม่ชามากระดิ่งดดีกว่าแต่ก่อน ครับทังหันเป็นไหนงหัฉันจะนั่งรักันทีนึงแล้วทงหันที่เขาจัดในฐานมันพอจัดได้ไัมเน่ะได้ถ้าหว่าันจะเกิด่ยนแงอก็บอกเขาได้เป็นในทางตัวคนของเราเองแล้วเขาทำนะมั่เกิด่ยนแลงอก็สัได้บอกกับพร้ามันก็น่าถ้ามันสัมิ่ง ยังไงเราเอาดีเดอเจอ้าเราก็ได้ชื้อขาลาเปืไปจำลักค่นนี้ไว้เป็นลักใจเด้อ